พระธรรมเทศนาแผ่นที่91ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12เมษายน2559มีชื่อเรื่องว่าขาสองแขนสองสมองหนึ่งวันนี้เป็นวันที่12 เมษายนพุทธศักราช2559พรุ่งนี้เป็นวันสงสงกรานเป็นวันปีใหม่ไทยหลวงพ่อได้ออกจากวัดไปทำาศาสนกิจกิจนิมนตตั้งแต่วันที่หกลูกหลานไปฉันที่อุดรไปตั้งแต่วันที่ห้าเย็น วันที่หฉชันที่อุดอรวันที่เจชันกรุงเทพวันที่8ปชันกรุงเทพที่9ที่ส0ที่11อมาชันอยู่ที่วัดรวมธรรมเมื่อวานพอฉันจังหันเสร็จเดืดเข้าไปไประชุมที่สลากลางจังหวัดมีข้าราชการทุกหน่วยทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายพระด้วย ประชมุมเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นการประชุมเมื่อวานรู้สึกว่าเผ็ดร้อนดุเดือดพอสมควรแต่หลวงพ่อไม่ดุเดือดพูดตามความเป็นจริงมีอะไรรู้สึกว่าผู้ที่มีอารโมโมโหว ข, อ ข, อขวหัวหัววัดหัวเหวี่ยงมือ ก, กันแต่หลวงพ่อฟังๆไม่เป็นไร เพนานาจิตต่างนานาทัศนะถ้าว่าใครก็ตามอยากจะให้มีศรัทธาคือความเชื่อความเชื่อคือเชื่อตัวเองจะให้คนอื่นเชื่อด้วยไม่ได้แต่ก็แนะนําให้คนอื่นแนะนําเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไปเชื่อแล้วจะทํำยังไงจะไปบังคับให้เขาเชื่อก็ไม่ได้ตัวเองเชื่อก็เชื่อเชื่อไปแต่คนอื่นไม่เชื่ออก็จะทํายังไงได้เพราะเหตุไร ว่าสัทธาของเขามันเป็นจิตของเขาพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าดูก่อนสาลิบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี่เธอเชื่อไหมอย่างก่อนพระเจ้าค่าเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราได้ศึกษาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาส น, นิกชนการที่จะเชื่ออะไรต้องมีเหตุมีผลในการเชื่อนั้ น, น, น ไม่ใช่ว่าเซนา ม, มากิกาเขาว่าไงก็เชื่อไปตามอันนั้นไปมีเหตุหลักลอยลักษณะหลักลอยไม่มีเหตุผลไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสองนะคณะสาสทายาิโยมลูกลานหลวงพ่อตามปกติที่วัดของเราหลวงพ่อรู้ว่าพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามามุดน้ำดาหัวตามประเพณี แต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อมีสาธารณกิจที่จำเป็นหลวงพ่อจะต้องไปตามที่ตามความเหมาะสมทำไงได้แต่ยังไงถึงพวกเราท่านทั้งหลายอยู่นัสถานที่ใดก็ให้เป็นคนดีถึงจะไม่สงกรานสงกรานไม่สงกรานก็เป็นคนดีแต่ในสงกรานเทศการสงกรานโดยมากหลวงพ่อจะแนะนำลูกหลานเด็ก น้อยหนุ่มทั้งหลายหนุ่มสาวทั้งหลายแต่เท่าแก่ก็เถอะนะาบางทีก็คึกขนองอีกเหมือนกันนั่นแหละไม่รู้ว่าตัวเองแกคอเอาสนุกเมื่อแก่อีกต่างหากแต่ตามไม่จริงแกขึ้นมาแล้วเราก็รู้ควรจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเหมาะสมไม่เหมาะสม เ, เราก็ต้องรู้ต้องวางตัวให้ถูก ถ้าเราวางตัวไม่ถูกก็เป็นที่รลังเกียรตเป็นที่ดูถูกเป็นที่ไม่ยอมรับของลูกของหลานของผู้ที่ด้อยกว่าน้อยกว่าทำให้เขาดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีของเราตั้งที่เราเป็นผู้สูงอายุเราก็ต้องวางตัวอีกให้เป็นที่เคารพของลูกของหลานของวงสาคนายาิถ้ารู้จักวางตัวมันก็ดีนะถ้าไม่รู้จักการวางตัวเนี่ย เป็นที่ถูกของลูกหลานผลสุดลูกหลานที่อยู่ใกล้เช็ดลูกๆที่อยู่ใกล้ซีก็อายเขาอายบ้านอายเมืองเพราะพ่ อ, พอแม่ตัวเองทําตนไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่ถูกการเทศะอันนี้ก็คือผู้สูงอายุก็ฟังฟังเอาไว้นะแต่สําหรับพวกน้อยหนุ่มเด็กหนุ่มสาวทั้งหลายจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังปานการไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดการขับรถขับเรือ อขี่โมอเตอร์สองโมอเตอร์ไซค์เล่นน้ําสงกรานอันนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันหลวงพ่อเนี่บอกแล้วกล่าวอีกเอถาว่าลูกหลานเพลิดเพลินจนลืมเนื้อลืมตัวไม่ไม่รู้จักการรักนวลสงวนตัวเพราะในสุดปัญหาที่เกิดขึ้นมาเออบางทีรถเกี่ยวรถชนบ้างเพราะความสนุกของตนเองบางทีขี่โมอเตอร์ไซค์ไปอ ไปประสบอุบัติเหตุเพราะห้ไหรเพราะดื่มเพราะเมาเพราะสนุกขี่รถไวเกินไปเพราะที่สุดเมื่อมันประสบอุบัติเหตุแล้วเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบนีตัวเองนะลูกหลานนะลูกหลานทั้งหลายนะให้ฟังเอาไว้นะตัวเองนะเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตของตนเองเอพ่อแม่ก็แก่เท่าชะลาแล้วท่านจะมารับผิดชอบในชีวิตของเราได้อย่างไร เมื่อท่านเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาแล้วเราต้องเป็นผู้ตรวจตราเป็นผู้ดูตัวของเราการเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไงถ้าไปหัวน็อกพื้นจะตกถนนขาหักแขนหักเป็นคนพิการมันไม่ใช่พิการแต่เอวันเดียวสองวันมันวิการตลอดชีพวันวิการตลอดชีวิตเออยู่กับพ่อแม่ใช่พ่อแม่เอ็นดูสงสารลูกทิ้งไม่ได้พอพ่อแม่ตายเทนั้นเอ มาอยู่กับพี่กับน้องกับวงศานาญาติเขาดูถูกเจ่งกว่าหมาขี้เลื้อนอีกต่างหากในตระกูลเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดอนาคตไกลๆอย่าไปสนุกสนานในขณะที่เราเที่ยวเราเตะเราเล่นสนุกสนานไม่ใช่ว่าเราสนุกสนานอนาคตมันไม่ได้คิดถึงแต่เพื่อคิดถึงอนาคตถ้ามันสุดวิสยัยถ้าสุดวิสัยอีกอย่างหนึ่ง ถ้าไม่สุดวิสัยตัวเองเป็นผู้คึกผู้ขนองขาดความรอบคอบอันนาตําตหนิพอเสียคู่เสียคนเสียองค์คะมาแล้วเสียแข้งเสียขาขาโวดขาขาดขาด้วนหัวนอกพื้น อ, อ, อะไรเป็นคนพิกลพิการออสังคมเขาไม่ต้องการไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้แต่กินอยู่ใช้อยู่กินอยู่แล้วก็กาะกินกับพี่น้อง กับพี่ๆน้องๆพพ่ อ, พอแม่ก็ตายไปแล้วพวกเราคิดไปคิดให้มันไกลชีวิตของเราถ้าเราไม่รักในชีวิตของเราเไม่รักนวนสงวนตัวในชีวิตของเราจะให้คนอื่นรักมันไม่ถูกต้องนะ เ, เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละทั้งหลายทั้งปวงตลอดทั้งพระเนรของหลวงพ่อก็เหมือนกันให้อยู่ในกรอบพระหลักพระธรรมวินยัยให้รัก ศักด์ศีให้รักอยู่ในเป็นสากายบุตรเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุตรที่ดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระที่ดีมีมารยาทมีฮิลิโอตตปะ เ, เป็นสากกยะบุตร อ, อย่าไปทำตนไม่ดีถ้าเมื่อทำตนไม่ดีทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีนั่นแหละเสียหายมันไม่ใช่เสียหายแต่ พระกอพระขอทั้นนนะมันเสียหายทั้งตระกูลใครๆมาเห็นก็ไม่เคารพนับถือเลื่อมใสเพราะอะไรเพราะว่าพระทําตนไม่ดีถ้าว่าพระของเราอยู่ในศรีราจารวัสมีกิริยามารยาทไปจะพูดจาภาทีก็มีสัมมาคารวะ้จะพูดกับใครก็ตามต้องวางตัวให้ถูกต้องอันนี้เราเป็นพระเราอยู่ในยูน่ในฟอร์มนี้อยู่เป็นพระการที่จะพูด ยาพาทีกับโยมจับกับใครก็ตามต้องวางตัวต้องวางตัวให้ถูกต้องเหมาะสมแต่ไม่ไม่ใช่ยิ่งเจอยิงจองหองไม่ใช่ปฏิบัติให้ถูกตามสัมมณะสารูปกิจที่ควรจะพุทธปฏิบัติอันนี้ก็คือหน้าที่ของพระแต่ถ้าพระออกนอกรูปดอกต้างโตโตเตเต จะไปที่ไหนพวกพันวุ่นวายกับสู้คนสังคมแล้วจะให้เขานับถือเรื่มสายได้อย่างไงก็ เ, เหมือนเหมือนกับคารวะเนี่ยเขาจะยกมือไหว้ได้อย่างไรแล้วจะทำบุญทำทานมีศรัทธาได้อย่างไรสิ่งเหล่านั้นแหละให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะเราเป็นพระนะเราต้องอยู่อีกมุมหนึง่ง อ, อ, อยู่ในศักดิ์ศรีของพระอีกส่วนหนึง่งไม่ใช่ว่าเราจะไปทําแบบคารวะไม่ได้ อันนี้ก็คือพร ะ, ะสําหรับฆราวาสญาติโยมอีกเหมือนกั น, นะอฆราวาสญาติโยมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดท่าผู้สูงอายุก็ให้ตรวตราดูตนเองอไปกินเหล้าเบายาวแสดงออกต่อชุมชนสังคมวัฒนธรรมแต่วัฒนธรรมมันมีหลายวัฒนธรรมะเราจะเอาวัฒนธรรมอย่างเร็วและวัฒนธรรมอย่างดีเราควรจะเลือกวัฒนธรรมอย่างดีดีกว่านะอนะ เรียบร้อยไปวัดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของลูกของหลานอันนั้นคือวัฒนธรรมที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพูดจาพาทีก็เป็นที่ยอมรับของลูกหลานแนะนาบอกกล่าวลูกหลานด้วยศีลด้วยธรรมลูกหลานได้ยินแล้วก็สบาย อ, อกสบายใจที่มากราบมากราบพ่อกาบแม่ก็กราบเพื่อความสบายใจไม่ใช่ว่าพ่อแม่กินเหล้าหัวลาน้า พูดอะไรก็ไม่รู้ลูกๆจะไปกาไปาไ ร, ราบได้ยังไงเพราะตัวเองทําตนไม่ถูกผลที่สูดก็หาว่าลูกหลานไม่เคารพยำเกรงตัวเองไม่เคารพตัวเองมันจะไปเคารพได้ยังไงเพราะตัวเองทําตนไม่ถูกวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านี้แหละทั้งหลายทั้งปวงอันนี้แหละคือการเป็นอยู่ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายใครวัดและญาติโยมทุกหมู่เหล่านั้นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก็สงกรานเนี่ย หลวงพ่อก็พยายามเน้นหนักเกี่ยวกับดูแลพ่อแม่เพราะลูกหลานทั้งหลายไปทาการทำงานในต่างถิ่นต่างแดนจากนั้นก็ได้เวลาก็กลับมาบ้านการกลับมาบ้านแต่ละคนนะนะควรจะมีอะไรพ่อแม่ของเราอยู่บ้านเป็นยังไงที่เลี้ยงดูเรามาเราควรจะมีอะไรติดไม้ติดมือมีเงินออใส่มือของท่าน1 2 0 0 0 0บาทส0 0 0 0าพันบาท0 0 0ห0ื่นบาท ให้พ่อแม่ได้ใช้เพราะว่าท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วท่านจะพึ่งพาอาศัยใครถ้าไม่พึ่งพาอาศัยบุตรธิด า, าไม่พึ่งพาอาศัยลูกหลานบุตรหญิงบุตรชายของตนเองในเมื่อเรากลับมาบ้านออเออให้พ่อให้แม่ซื้อืเสื้อผ้อออานุ่งห่มอะไรให้ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสิ่งไหนที่พ่อแม่เคยใช้ แต่เขาจะให้หรูหราโออ่าเกินฐานะของตนเองให้เหมาะสมอันนี้เราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันจานั้นก็เอาจะตตุปใจมอบให้ท่านนี่แหละคือหน้าที่บุตรธิดามานานทีปีหนเราก็ควรจะคิดอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่คิดมาแต่บ้านพ่อตาแม่ยายนะไปทั้งพ่อปู่แม่ย่าก็เหมือนกันให้ถือเสมือนกัน ทั้งพ่อสามีทั้งพ่อภรรยาให้พวกเราครอบครัวนั้นให้ถือเสมอกันไม่มีใครย่อหย่อนกว่ากันเราไปก็ให้เคารพความเคารพทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ตาแม่ยายทั้งพ่อปู่แม่ยาแล้วมีอะไรก็ให้แบ่งสรรปันส่วนดูแลท่านประวรรณาท่านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บอกนี่ะอันนี้คือหน้าที่บุตรธิดาที่ดี เพิ่งจะไปทําการทํางานก็ไม่เคยลดละไม่เคยลืมพ่อบุญคุณของพ่อของแม่ถ้าบางคนพ่อไปแล้วกันะเหมือนกับปล่อยปลาไหลลงไปในขี้โคลนขี้ตมเลยหายเงียบไปเลยเ อ, อไม่โผล่เข้ามาเลยพ่อโผล่เข้ามาโหัอตาผือขึ้นมามาขอเงินจากพ่อแม่อีกต่างหากทั้งที่พ่อแม่อยู่ในบ้านกันะออีอยู่ในบ้านก็เมื่ะไรขายมะม่วง ขายข้าวหลามขายไก่ขายไขย่ไก่ตัวเองไปหาทำการทำงานกลับมามาขอเงินจากพ่อจากแม่มันไม่ถูกนะลูกหลานนะใครเป็นอย่างนั้นเปรว่าลูกที่เลี้ยงไม่รู้จักโตพ่อแม่เลี้ยงไม่รู้จักโตไม่รู้จักเอาตัวรอดแล้วจะมาเพอๆจะมาตำหนิพ่อแม่อีกข้าไปเจ้าเกิดมามาจนทำไมพ่อแม่จึงไม่ มีเกิดมารวยก็พ่อแม่ก็นจนอยู่แล้วเกิดมาทำไมรู้จักว่าข้าจนอยู่แล้วทำมันมาเสือกมาเกิดกับข้าทำไมเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <c oughs> บางคนพ่อแม่พ่อแม่แมบางคนลูกเขาด่านะหมอพ่อแม่ไม่แต่น้นําตาอบน้าตาเช็ดหัวเขานะร้องให้ว่าลูกดูถูกว่าตัวเองเกิดมาทุกอูถ้ากูอย่างเนี้ย กูเกิดมาทำไมไม่เกิดมาแล้วทำไมไปเลี้ยงให้สมบูรณ์กับเหมือนโ ค, คนอื่นเขาเออทำไมไม่หาเงินหาทองมาให้เหมือนคนอื่นเขาเกิดมาทุกข์มาจนจะทำให้กูเกิดทำไมเห็นไหมลูกบางคนว่าอย่างนั้นนะหลงพ่อก็เคยได้ยินเลยถ้าเป็นลูกหลวงพ่อหน่อยมึงจะมาเสือกมาเกิดทํากูทําไมสู้ก็รู้อยู่ว่ากูมันจนเออมึงมันหน้าโง้อเมึงทํามาเกิดกูทําไมมึงเสือกมาเกิดทํากูทำไม มึงทาไมไม่เสือกไปเกิดผู้อื่นไปหนีถ้าหลวงพ่อจะเป็นอย่างนั้นนะลูกหลานนะออพอลูกมันจะไปหาด่าพ่อแม่ได้ยังไงพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งแล้วเราก็ต้องโดดไปในทิศทั้งสี่ไปนัดสถานที่ใดก็ได้เห็นไหมเศรษฐีที่เขารวยๆนะหลวงพ่อฟังฟังดูแล้วเศรษฐีแสนล้านแสนแสนล้านทําไมขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟ นี่พ่อขายกาแฟเขาเขาก็รู้จักเก็บหอมลอมริบรู้จักบริหารจัดการกับตนเองพอในสุดเขาก็รวยขึ้นรวยขึ้นเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะอะไรเขามีอะไรเขาก็มีขาสองแขนสองสมองหนึ่งเหมือนกับเราแต่เรามันโง่เสายอย่างเพราะมันไม่มีปัญญาขี้เกียจอีกต่างหา ก, ก, กถ้าคนขี้เกียจหาทรัพย์ไม่ได้ถ้าคนโง่าหาทรัพย์ไม่ได้ถ้าคนขยันยอมหาทรัพย์ได้ คนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้เนี่ยเรามีปัญญาหรือเปล่าหรือเราโง่แต่โดยมากมันจะไม่ชอบมองตัวเองนะมันชอบมองแต่คนอื่นมองแต่ตพ่อแต่แม่ญาติพี่น้องไม่แบ่งมดรดกให้กับเราแต่ตัวเองเนี่ยโง่ตัวเองเนี่ขี้เกียจเอาเงินไปเท่าไหร่ถรุงหมดใช้หมดมันจะรวยได้ยังไงคนที่จะรวยเนี่ยต้อง รู้จักเก็บให้รู้จักหาให้รู้จักใช้เก็บให้รู้จักหาหาเสร็จแล้วให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้ใช้พอประมาณนี่แหละถ้าคนอยู่ในกรอบในศิลธรรมจริยธรรมอย่างนี้นะหลวงพ่อว่าอยูน่งสถานที่ใดไม่อดไม่อยากทะลุหลานพอพื้นแผ่นดินไทยนี่ยสมุรภสมบูรณ์ทรัพย์ในพื้นแผ่นดินไทยถึงมีมาก ไม่รู้จักจบจักสิ้นคนเก่าแก่เขาก็หาเขาก็รวยไปแล้วตายไปแล้วแต่พวกเราลูกหลานเกิดมาก็พยายามหาอเองถ้าคนขยันหาทรัพย์ได้ทั้งนั้น อ, อไม่อดไม่หยากแต่หาว่าคนขี้เกียจแล้วก็โง่อีกต่างหากหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปที่ไหนไม่คุ้มหล่ะเดี๋ยวก็เดินงกงกงานงานมาก็มาหาพ่อหาแม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนวุ่นวายต่างหาก ทั้งที่เลี้ยงใหญ่แล้วน่าจะเอาตัวรอดได้แต่เลี้ยงลูกไม่รู้จักโตเนละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะอย่าไปมองคนอื่นให้มองตัวเองมองเจ้าของถ้ามองเจ้าของมองตัวเองล้วจะเห็นจุดบกพร่องนะและกระปรุงแก้ไขในจุดบกพร่องนั้นแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องนะมีแต่ความเจริญเนยะจากนั้นก็นการเป็นอยู่ก็ สบายจากนั้นก็มองศีธลธรรมต่อไปอีกมองศีธลธรรมคือซอดข้ามพบข้ามชาติอีกศึกษาเถนี่ศึกษาใ น, านหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธศาสนาท่านสอนว่ายังไงท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญน่าตายและเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเรื่งเหล่านี้เราก็ต้องศึกษาเถนี่พราะศึกษาแล้วก็นํามาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วนะ ทั้งได้ทั้งวัตถุภายนอกทั้งสมบัติภายนอกเราก็ได้สมบัติภายในเตียงศีลสมาธิปัญญาเอาคุณธรรมศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเราก็ได้เราได้ทั้งสองอย่างนี่แหละอยู่นสถานที่ใดเป็นสุขนะทีนี้พราะได้ทั้งโลกิยทรัพย์โลกุตตรทรัพย์ในจิตใจของพวกเราอันนี้คือคารวะแต่สําหรับพระเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้ว เราจะเข้ามารักษาศีลเราไม่ต้องพูดถึงด้านวัตถุอมิตรทานทั้งหลายแหละ เ, เห็นไหมถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ไม่กลัวอดนะพระเนลรลูกหลานนะหลวงพ่อไปสวนแสนธรรมเมื่อวานก็โอ้โหล้นหลามไปที่ไหนไปว่าอาหารเหลืออยู่เหลือฉันมากมายทีเดียวคือเขาก็อยากจะได้บุญผู้มีศรัทธาขอทากันเราให้เป็นพระที่ดี อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่ในกฎระเบียบหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นแหละให้เป็นผู้มีศีลศีลายจารวัตที่ดีเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องกลัวอดพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่แหละทางว่าพวกเรามอบกายถวายชีวิตต่อ คุณงามความดีต่อพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าต่อแนวทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาอย่างไรข้าพเจ้าขอมอบ ก, กายแต่วัยชีวิตชื่อตรงชื่อสัตว์ต่อคุณงามความดีนั้นนี่แหละ เ, เราจะสุข ก, กายสบายใจมีแต่ความาร่มเย็นเป็นสุกทางทั้งภายนอกทั้งภายในไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อน ใครจะเป็นยังไงก็เอาเป็นยังไงโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอนนี้อางทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายใครจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนก็เถอะเราเกิดมาพบนี้ชาตินี่เราได้เพียงแค่นี้ก็พอละเนีแต่ข้าพเจ้าใจมุ่งมั่นในศีลในธรรมแต่โลกวัตถุไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไปแต่เราก็มันขยันเนีไม่ใช่เราขี้เกียจนะมันขยันเก็บพร้อมรอมเล็บเนีแล้วก็พร้อมกันเกา ศีลธรรมในจิตใจเนี่ยไม่ลดละไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาเมื่อมีโอกาสถ้าเราทำได้อย่างนี้นะลูกหลานนะสุขกายสบายใจไปนานเท่านานเดี๋ยวที่ไปวางทัววางตัวที่ถูกต้องถ้าว่าหลวงพ่อพูดตั้งแต่เบื้องแรกเบื้องต้นการวางตัวของพวกเราเราจะวางตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรม แล้หลวงพ่อบอกแนวหลายวิธีการที่หลวงพ่อได้พูดมาทั้งหมดให้ลูกหลานฟังๆและสังเกตดูนะท้อนย้อนดูด้หลวงพ่อพูดตั้งแต่สมัยเป็นชาวบ้านวางตัวยังไงเป็นพวกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเป็นลูกเป็นเต้าเป็นเด็กหนุ่มหญิงสาววางตัวอย่างไรเป็นพระเป็นเนนวางตัวอย่างไรผลในสุดทุกคนวางตัวอย่างไร ให้มองข้ามซอดไปข้ามพบข้ามชาติเกิดแล้วตายตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีเราควรจะปฏิบัติกับศีลธรรมอย่างไรนี่มีหลายระดับนะรับพอในตอนนี้นะ